เช้านี้เราพร้อมใจกันสาธยายพระวจกุลร้อยบทอันนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลนะสิริมงคลที่ว่านี้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพียงเพราะว่าปากเราเปล่งอ่าถ้อยคำอัน ง, งดงามออกมาแต่ว่าใจเราก็น้อมไปถึงพระวจกุลนั้นเมื่อใจน้อมนำแล้วเกิดเป็นกุศล อันนั้นก็เรียกว่าสริปมงคลได้เกิดขึ้นประการหนึ่งละอันนี้เมื่อเราน้อมใจแล้วเนี่ยนอกจากจิตใจเป็นกุศลแล้วยังยาเรายังเกิดศรัทธามั่นคงแน่นแฟ้นในพระพุทธองค์ในฐานะที่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของเราก็ทำให้เรามีพลังนะ ในใจิตใจเพราะว่าศรัทธานี้เป็นถือว่าเป็นพลังอย่างหนึ่งเป็นหนึ่งในพละห้าทำให้ใจเรามีพลังในการที่จะนําพาชีวิตของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในธรรมะพยายามที่จะป้องกันอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดไม่ให้เกิดขึ้น หรือว่าที่เกิดขึ้นแล้วก็ถ่ายถอนออกไปรวมทั้งพยายามที่จะทำความดีฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อให้กุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นและที่มีอยู่แล้วให้เจริญงอกงามมากขึ้นในการที่จะทวนกระแสกิเลสนี้ต้องอาศัยพลังนนในจิตใจและศรัทธาที่เรามีต่อพระตนตรัย รวมทั้งที่มีต่อพระพุทธองค์นะก็จะช่วยทำให้เรามีพลังกำลังนะในการที่จะทวนกระแสนะเพื่อนำชีปของเราไปสู่ภาวะที่ดีงามอันนี้นอกจากศรัทธาที่มีต่อพระพุทธองค์หลวนทั้งพระตนะไตรแล้วเนี่ยถ้าว่าเราได้พิจารณา พุทธคุณทั้งหลายเหล่านี้นะซึ่งมีอยู่มากมายนะพิจารณาว่าเป็นอุดงคติของชีวิตเพราะคุณสมบัติโดยเฉพาะภาวะภายในที่ปราศจากทุก์ให้ถือว่าเป็นอุดงคติของชีวิตที่ เราจะมุ่งหน้าไปสู่อันนี้ก็จะยิ่งเป็นสิริมงคลมากขึ้นเพราะว่าเหมือนกับว่าเรามีทิศทางที่จะไปเรามีจุดหมายที่จะไปถ้าคนเราถ้าไม่มีจุดหมายหรือมีจุดหมายก็จริงแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นจุดหมายที่ดีงามแล้วเนี่ยก็หลงเอ่ยไปสู่ทางต่ำทางอบายได้ง่ายหรือไปสู่ความทุกข์ ได้ง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเรามีจุดหมายอันดีงามที่เราเรียกว่าอุดมคติแม้มันจะสูงส่งเหลือเกินแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ในการกําหนดทิศทางของชีวิตของเราไม่จําเป็นว่าเราจะต้องไปให้ถึงก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเป็นเครื่องกําหนดทิศทางของเรา มือนก็ดาวเหนือเนี่ยคนสมัยก่อนเขาเดินทางโดยอาศัยดาวเหนือดาวเหนือไม่ได้มีไว้เพื่อไปให้ถึงแต่ดาวเหนือมีไว้เพื่อบอกทิศทางไม่มีใครที่จะบินเหาะไปถึงดาวเหนือได้แต่ว่าก็ได้อาศัยดาวเหนือนั้นเนี่ยในการกําหนดไปให้ถึงจุดหมายพระตุคคุทั้งร้อยประการนี้ก็เปรียบเสมือนกับดาวเหนือนะคือสูงส่งก็จริงแต่ว่า คือสูงส่งจะนิ่ว่าอาจจะไปไม่ถึงก็จริงนะแต่ว่าสามารถจะบอกทิศบอกทางที่ถูกให้กับเราได้มันก็ทำให้เรานะมีจุดหมายในชีวิตที่ดีงามแล้วก็อาศัยความเพียรอาศัยศรัทธาเนี่ยที่เกิดมีขึ้นนะอย่างที่พูดไปแล้วเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อน จะสังเกตว่าพุทธคุณทั้งร้อยประการนี่มันไม่ได้เกี่ยวเรื่อ ง, องความยิ่งใหญนะ่เรื่องของอำนาจบารมีเรื่องของความมั่งคั่งร่ำรวยแต่เป็นเรื่องของภาวะภายในที่งดงามที่สะอาดอที่บริสุทธิ์ปราศจากมลทินไม่มีกิเลสเข้ามาทําให้เศร้าหมองได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะมาบีบคั้นให้สะท้านสะเือนใจได้ใ น, นี้เกิดได้เพราะอะไรก็เกิดจากการที่มีปัญญา ปัญญาในเรื่องอะไรปัญญาในเรื่องของความจริงของชีวิตโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าทุกข์นะเอาคืนที่พระเจ้าตรัสรู้นี้พระองค์ก็ตรัสรู้เรื่องนี้แหละท่านพรงได้พิจารณาแล้วก็เห็นความจริงที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทคือกระบวนการแห่งการเกิดทุกขนะ์ปฏิจจสุ บ, บาทิรงได้ได้ค้นพบ แล้วก็พิจารณาจนกระทั่งแจมแจ้ง ต, ตลอดสามยามก็ทำให้จิตหลุดพ้นได้หลุดพ้นจากความทุกข์ก็เพราะว่าได้เข้าใจความทุกข์อย่างจมแจ้งพระองค์ได้เห็นกระบวนการของการเกิดทุกข์นะปฏิจจสุบาททั้ง กระบวนการที่เกิดทุกข์ลอกก็กระบวนการที่ดับทุกข์นะแล้วก็ทรงนํามาแสดงในรูปของอริยสัจสี่นะตอนที่พระองค์นําแสดงทําให้กับยศกุลบุต ร, รตัวนบลุธรรมเนี่ยก็ไม่ได้แสดงด้วยปฏิจจสมุปบาทนะแต่ว่าแสดงโดยสายหลักอริยสัจสี่นะก็เรียกว่าเป็นการเอามาอธิบายใหม่ ความจริงที่พระองค์ค้นพบนะบางทีอธิบายด้วยปฏิจจสมุปบาทอาจจะเข้าใจยากพระงก็มาอธิบายใหม่ในรูปของอศศริสสัสสีนะอันนี้จะเรียกว่าเป็นภาษาสมัยใหม่ก็เรียารีแพ็คเกจก็ได้ทำมาเอามาัใสายแพ็คเกจใหม่ก็เข้าใจได้ง่ายขึ้ น, นแต่ว่าสาระก็ก็เหมือนเดิมก็คือการเข้าใจเรื่องความทุกข์เป็น เป็นเรื่องแรกเลยนะสิ่งที่พระองค์ค้นพบก็คือเรื่องของทุกเนี่ยแหละแล้วก็ทางดับทุกนะเรื่องของเรื่องทุกเนี้ยจึงเป็นเรื่องที่เราต้องเข้าใจนะให้ได้กระจ่างนะอาจจะไม่ถึงกับจำแจ้งแต่ว่าการเข้าใจอย่างกระจ่างเนี่ยหรือว่าเข้าใจอย่างถูกต้องเนี่ย มันก็จะช่วยในการนำพาชีวิตของเราไปในทางที่พ้นทุกข์เป็นการเจริญรอยตามพระพุทธองค์แล้วก็พระอรหันต์ทั้งหลายได้เวลาพูดถึงทุกข์เนี่ยนะมันเป็นคำว่าทุกข์นี่มันเป็นหัวใจสำคัญของคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นหัวใจ ในคําสอนของพุทธศาสนาเลยทีเดียวจนกระทั่งบางคนเข้าใจว่าพุทธศาสนาเนี่ยเป็นพวกทุกนิยมคือนิยมทุกนะหรือมองโลกในแง่ร้ายเห็นแต่ทุกๆแต่ที่จริงแล้วเนี่ยที่จะเห็นเนี่ยเพื่อจะได้พ้นทุกนะเพื่อได้เข้าถึงความสุขอย่างแท้จริงนะสุขที่ประเสริฐนั้นมีอยู่นะแต่ว่าต้องผ่าน การเข้าใจทุกซะก่อนนะทุกเนี่ยเป็นทางผ่านที่นําไปสู่สุขได้แต่ทางผ่านนี้นะจะผ่านได้ก็ต่อเมื่อเข้าใจนะทุกอย่างถูกต้องนะเวลาพูดถึงทุกเนี่ยนะมันมีสองระดับหรือสองความหมายนะความหมายแรกเนี่ยหมายถึงทุกโเวทนานะ ทุกกายทุกใจความหมายที่สองเนี่ยเป็นความหมายที่กว้างมากนะหมายถึงสภาวะยืนพื้นของทุกสิ่งทุกอยาก่างไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมอย่างที่เราได้สาธยายกันบ่อยๆว่าสาเพสสังขาราทุกขงังสังขารทั้งหลายทั้งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมนั้นเป็นทุกข์เนียเสาก็ดี บ้านเรือนก็ดีนะแม้กระทั่งความรู้สึกเช่นเวทนามันก็เป็นทุกข์ในความหมายนี้ทุกข์ในความหมายที่สองเนี่ยก็หมายถึงสภาวะที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นสภาวะที่ไม่คงตัวสภาวะที่ต้องเสื่อมไปอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เป็นสภาวะที่พร่องไม่สมบูรณ์ หรือว่าไม่สเสถียร น, นะบางทีท่านก็ใช้ว่าไม่คงตัวไม่คงตัวคือไม่สเสถียรเป็นตั้งแต่ในระดับอะตอมไปถึงจักรวาล น, นะอะตอมเนี่ก็ไม่สเสถียร น, นะโดยเฉพาะอ่ากะมาตรังสีนี่มันไม่สเสถียรเห็นได้ชัดแต่ถึงแม้ในธาตุอื่นๆมันก็ไม่สเสถียรมันกันไปถึงจักรวาลเลยนะก็ไม่สเสถียรมันมีความแปรเปลี่ยนมีความเกิดดับเกิดขึ้นตลอดเวลา อันนี้คือทุกในความหมายที่สองที่ฉันท่านใช้คําว่าสภาวะทุกข์หรือว่าตัวสภาวะยืนพื้นคําที่ใช้เรียกคำหนึ่งคือว่าสังขารทุกขตาก็คือทุกที่เป็นสภาวะของสังขารทั้งปวงไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมส่วนทุกที่มันเป็นเวทนานะีเวทนา จะเป็นสุขจะเป็นเวทนาทางกายก็ตามเวทนาทางใจก็ตามนี่เขาก็มีคำเรียคำหนึ่งนะเรียกว่าทุกขะทุกขตาแต่ว่าเราก็อย่าไปสนใจคำบาลีเลยแต่คอยเข้าใจความหมายก็พอนะว่าเวลาท่านพูดถึงทุกเนี่ยนะเราก็ต้องสามารถจำแนกได้ว่าท่านพูดถึงทุกขในความหมายไหนจะทำให้ไม่สับสน ทุกที่เป็นทุกขเวทนาทางกายทางใจเนี่ยนะในะบทธรรมวัดเช้าของเราก็จะสาธยายเป็นประจำความโศวความร่ำไรลำพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจรวมถึงเหตุการณ์ที่นำไปสู่ทุกนะประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์พัาดพลาจากสิ่งที่รักก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็ทุกข์ นะอันนี้แหละท่านหมายถึงทุกขเวทนานะที่เรียกว่าทุกขทุกขตาเป็นทุกขี่ผู้เจ้าเ อ, อ่ยถึงมากนะในในอริยสัจสี่แต่ถ้าเป็นทุกขี่เป็นสภาวะยืนพื้นนี่ท่านจะพูดถึงเวลาสอนเรื่องตรลักนะทุกในใจลักเนี่ยอ น, นิจจังทุกขงังอนัตตาเนี่ย ก็คือสภาวะทุกข์ที่มันยืนพื้นที่เกิดกับทุกอย่างนะซึ่งทำให้ทุกอย่างนี่มันต้องเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับสลายไปแต่ว่าในบทธรรมวัตรเช้าเนี่ยนะที่เราสาธยายเนี่ยก็ไม่ได้พูดแต่เฉพาะทุกขเวทนาทางกายทางใจเท่านั้นนะในตอนท้ายนั่นก็จะปิดท้ายนะทุกสิบสองประการ ด้วยคำว่าว่าโดยย่อุปท า, านขันต์ตั้งห้าเป็นตัวทุกาาขันต์ตั้งหเป็นตัวทุกเนี่ยนั่นหมายถึงให้ทุก น, กนี่ที่ว่านี่หมายถึงทุกยืนพื้นนั่นนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเป็นตัวทุก์ก็คือว่ามันพร่องมันไม่สมบูรณ์มไม่ไม่เสถียรมันอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้มันถูกบีบคั้นนะด้วยเหตุปัจจัยต่างๆทั้งภายนอกภายใน พ่อมันเกิดจากเหตุปัจจัยไงนะขันธ์ห้าเกิดจากเหตุปัจจัยเหตุปัจจัยแปรปวนมันก็แปรปวนแล้วก็ดับสลายไปได้อันนี้เป็นธรรมดาการเข้าใจความจริงเกี่ยวกับทุกอย่างนี้เลยนะมันสําคัญมากเพราะจะช่วยทําให้เราเกี่ยวข้องกับทุกอย่างถูกต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นทุก์อย่างถูกต้องทั้งที่เป็นทุกขเวทนา แล้วก็ที่เป็นสภาวะทุกข์เช่นถ้าเป็นทุกขเวทนานะเราก็มีสติรู้เวลามืปวดกายปวดเมื่อยที่เ้าปวดเมื่อยนิขารเราก็มีสติรู้นะมันก็จะทุกขแต่กายนะใจไม่ทุกขนะ์ทุกขแต่กายใจไม่ทุกข์เปรียบเส ม, มือนกับที่คุณหมอคงศักด์ได้พูดมาตอนบ่ายว่าเนี่ยเมื่อวานว่าเนี่ยเจอแค่ธนูดอกเดียว ส่วนธนดอกที่สองนี่ยิงผิดเป้านะไม่ถูกแต่คนทั่วไปเนี่ยนะพอเจอทุกขเวทนาขา้าที่แรกเกิดที่กายก่อนแล้วก็ไม่เห็นมันไม่รู้มันก็เลยทุกใจไปด้วยอันนี้พร่อไม่มีสติรู้เวทนาก็เลยเวทนาทางใจก็เลยตามมาติดติดนะ แต่ถ้าเป็นทุกข์นะที่เป็นสภาวะทุกข์นะที่เกิดกับทุกอย่างเนี่ยหรือความจริงที่ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เนี่ยถ้าเรารู้จักดีพอนะเราก็จะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเมื่อไปยึไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันถึงเวลาที่มันแปรปรวนไปมันเสื่อมสลายไปใจก็ไม่ทุกขนะ์เป็นเพราะคนเราไม่ ไม่เห็นความจริงตรงนี้ไม่เห็นว่าสิ่งทั้งหลายนั้นเป็นทุกข์ก็เลยไปยึดถือสิ่งต่างๆโดยเพราะสิ่งที่ให้ความสุขกับเราเช่นรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจเรียกว่าอิทารมก็ไปยึดมันรูปธรรมก็ได้แก่ทรัพสมบัติชื่อเสียงกิยศอันนีนะ้เป็นสิ่งที่ผู้คนหมายปล o เพราะมันให้ความพอใจแต่เนื่องจากไม่เห็นนะแต่เนื่องจากมันไม่สามารถจะคงตัวไม่สามารถที่จะอยู่ในสภาพเดิมได้มันต้องแปรปวนไปพอไปยึดมันแล้วมันหายไปก็เสียใจก็ผิดหวังก็โศกเศร้าทับแคลนใจอย่างที่พู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ใดเพิดเพลินรูปที่น่าพอใจ ก็คือเพื่อเพลินในทุกเพื่อเพลินในทุกเนี่ยคําว่าทุกในที่นี้เนี่ยหมายถึงสิ่งที่มันไม่อาจอยู่ในสภาพเดิมได้สิ่งที่มันพร่องสิ่งที่มันไม่คงตัวสิ่งที่ไม่เสถียรเมื่อไรที่เมื่อใดก็าตามที่เราเพลินใจในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ยึดมั่นถือมั่นกับมันก็จะมีทุกข์เป็นที่สุดนะหรือเป็นเกิดผลตามมา ทุกตัวนี้เนี่ยหมายถึงทุกขเวทนาแล้วนะเมื่อใดก็ตามที่เราเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์นะก็คื อ, อรูปรกสกลิ่นเสียงสัมผัสเนยะรวมทั้งธรรมารมด้วยเนี่ยเมื่อใดก็ตามที่เราเพลิดเพลินในสิ่งที่เป็นทุกข์ก็จะมีทุกข์ตามมาไอ้ทุกขสองตัวนี้คนละอันกันนะทุกตัวแรกนี่คือสิ่งที่มันพร่องไม่สมบูรณ์ไม่เสถียรสิ่งที่มันต้องดับไปต้องเสื่อมไปแล้วก็ดับไปในที่สุด ส่วนทุกตัวที่2เนี่ยก็คือทุกขเวทนา เ, าเราต้องถ้าเราเข้าใจว่าทุกสองตัวนี้มันเป็นมันคนละความหมายเนี่ยจะเข้าใจคําสอนของพระเจ้าได้ถูกต้องเวลาพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยมีแต่ทุกเท่านั้นที่ตั้งอยู่มีแต่ทุกเท่านั้นที่ดับไปเนี่ยท่านไม่ได้หมายถึงทุกขเวทนานะท่านหมายถึงไอ้ทุก์ที่มันเป็นสภาวะยืนพื้น ซึ่งเกิดกับขันทั้งห้าทุกชนิดสิ่งทั้งปงวงล้วนละแต่เป็นทุกข์นะไม่ว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาสิ่งที่เราดินด้วยหูนะรับรู้ด้วยเสียงหรือว่ารับรู้ด้วยลิ้นนะคือคือรสไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ย ล, ล้วนละแต่เป็นทุกข์คือเสื่อมไปต้องเสื่อมไปในที่สุด รวมทั้งทุกที่มันเป็น ท, ทุกทุที่เกิดกับสภาวะทางนามธรรมาด้วยในใ จ, จิตใจด้วยค่ะนี้การรู้ความทุกการรู้ทุกเหล่านี้เนี่ยนะมันจะเป็นประโยชน์ในการที่เราจะเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องทุกเนี่ยมันเป็นสิ่งที่นีไม่พ้นนะโดยเพราะาทุกโกรธธนาทางกายเพราะว่ากายเหล่าเนี่ยนะ มันก็ประกอบไปด้วยท่าทั้งสี่หรือท่าทั้งห้ามันก็ล้วนแล้วแต่เป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องแก่กต้องเจ็บต้องป่วยไม่ต้องรอให้แก่ไม่ต้องรอให้เจ็บให้ป่วยนะแค่นั่งนานๆเนี่ยมันก็ทุกข์ละแล้วนะลมันก็แสดงออกมาเป็นทุกขเวทนาเราหนีไม่พ้นนะแต่คราวนี้เนี่ย ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันยังถูกต้องก็ไม่เป็นทุกข์นะทุกข์เนี่ยห น, นีไม่พ้นต้องเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเกี่ยวข้องมันยังถูกต้องก็ไม่เป็นทุกข์แล้วเราจะเกี่ยวข้องมันได้อย่างถูกต้องอย่างไรนะคำตอบคือรู้ทุกข์นะด้วยนี่พูะเจ้าจึงสอนว่าเนี่ยทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะหรือว่ากำหนดรู้ ก็ากำหนดรู้หรือ ร, รู้นี่ฉันใช้คำว่าปริญญานะปริญญาคือก็เหมือนกับที่เราใช้กับคนที่จบมหาวทิทยาลัยเนี่ยก็ได้รับปริญญานะแต่ปริญญาในความหมายที่ว่านี่มันเป็นมันเหมือนเป็นเครื่องรับรองว่ามีความรู้แต่ว่าปริญญาจริงๆเนี่ยมันไม่ต้องอาศัยเครื่องรับรองนะแค่รู้ทุกนะว่าเกิดขึ้น อันนี้ก็เป็นปริญญาได้แต่ว่ามันมีความหมายที่กว้างลึกกว่านั้นนะนการรู้ทุกนี้สำคัญนะเมื่อทุกเกิดขึ้นแล้วรู้ทุกก็ไม่เป็นทุกแต่ว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ทุกหรือเกี่ยวท้องกับทุกไม่เป็นก็เลยเป็นทุกนะเป็นทุกในที่นี้คือเวทนาแล้วนะคือทุกขเวทน า, างั้นการ การรู้ทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากนะมันเป็นหัวใจสําคัญของการพ้นทุกข์นะรู้ทุกข์มีความหมายว่าอะไรนะความหมายแรกนะก็เป็นความหมายพื้นๆก็คือรู้ว่าทุกข์คืออะไรได้แก่อะไรนะเช่นรู้ว่าเออเกิดก็เป็นทุกข์แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์นะความโศกความร้าวหลายลำพัน์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์อย่างที่เราได้สวด นะเป็นการสาธยายทุกข์ในรูปต่างๆรู้ทุกข์คืออะไรหมายถึงอะไรอันนี้เป็นการรู้ด้วยการท่องจาก็ได้นะรู้ด้วยความคิดเอาก็ได้แต่ว่ารู้ทุกข์มันมีความหมายมากไปกว่า น, นั้นความหมายอีกชั้นนึงคือว่าเวลาทุกข์เกิดขึ้นกับเราเราก็รู้ก็คือรู้ตัวเมื่อเกิดทุกข์ แล้วบางทีทุกเกิดขึ้นแล้วไม่รู้ตัวนะคนโกรธแล้วไม่รู้ว่าตัวเองโกรธนะเกลียดแล้วไม่รู้ว่าเกลียดอย่างงื่อนเมื่อคนเมาเนี่ยเมาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเมาคนบ้าก็ไม่รู้ว่าตัวเองบ้าเมาแล้วไม่รู้ว่าตัวเองเมาโกรธไม่รู้ว่าตัวเองโกรธแต่เมื่อใดก็ตามที่รู้ตัวนะเมื่อทุกเกิดขึ้นเมื่ออกุศลธรรมเกิดขึ้นที่มันเผาลุนจิตใจทั้งนั้นก็ก็เรียกว่าเป็น อีกแน่ถึงการรู้ทุกข์ได้นะรู้ทุกข์อีกประการต่อมาคือว่าเมื่อมีทุกข์เกิดขึ้นก็รู้ว่าอ๋อทุกข์เกิดขึ้นกับกายทุกข์เกิดขึ้นกับใจไม่ใช่เราทุกข์นะแต่มันเป็นรูปทุกข์หรือเป็นนามทุกข์นะอันนี้ลึกลงมาอีกหน่อยแล้วนะส่วนส่วนใหญ่เวลาเกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยนะ ก็จะรู้สึกเลยว่าฉันทุกข์นะเราทุกข์ฉันปวดนะกูปวดนะมันมีแต่กูเป็นเจ้าของความทุกข์หรือเป็นผู้ทุกข์อันนี้ไม่ใช่ว่ารู้ทุกข์แล้วนะรู้ทุกข์คือรู้ว่าไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นกับกายกระจายมันเป็นกายที่ทุกข์ใจที่ทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์มันไม่มีตัวเราเป็นผู้ทุกข์ตรงนี้ต้องอาศัยสติแล้วนะ สติเนี่ยทำให้เราเห็นนะอ๋อไอ้ที่ปวดนี่กายปวดไม่ใช่เราปวดนะไอ้ที่โกรธเนี่ยมันเป็นใจที่มันโกรธไม่ใช่เราโกรธแล้วต่อหลังก็รู้ต่อไปว่าอ๋อทุกมันเกิดขึ้นกับกายทุกมันเกิดขึ้นกับใจนะความโกรธเกิดขึ้นกับใจนะความทุกเกิดขึ้นกับร่างกายแต่ว่ามันเป็นคนละอันกันนะกายก็อันนึงเวทนาก็อันนึง ใจก็อันหนึ่งความกลยก็อันหนึ่งเห็นว่าทุกข์มันเกิดกับกายทุกข์มันเกิดกับใจแล้วก็ลุกตอบรู้ไป อ, อ, อีกขั้นหนึ่งนะว่าทุกข์นี่มันเกิดกับขันทั้งห้าทุกข์นี่มันเกิดกับขันทั้งห้ามันเห็นขันนะย่อยออกมาแล้วนะไม่ใช่ทีแราเห็นแต่ตัวเราตัวเราทุกข์เราทุกข์ ตอนหลังก็เห็นว่าเออรูป ก, กับนามกายกับใจมันทุกข์ตั้งหากก็เห็นย่อยอีกนะเป็นขันธ์ทั้งห้ามันทุกข์ทุกเกิดขันธ์ทั้งหา้าไม่มีใช่เราทุกข์นะไม่มีผู้ทุกข์ตรงนี้ต้องเป็นต้องอาศัยปัญญาแล้วนะปัญญาที่มันเห็นว่าความทุกข์มันเกิดขึ้นกับขันธ์ทั้งหา้ามันไม่มีตัวเราที่เป็นผู้ทุกข์ละ แล้วถ้เห็นไปถึงขั้นสุดท้ายเนี่ยก็จะเห็นว่าขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์สิ่งทั้งหลายนี่ทุกทั้งนั้นเลยไอตอนที่เห็นว่าความทุกข์เกิดขันทั้งห้าเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันทุกข์เกิดขึ้นเฉพาะครั้งเฉพาะคราวเช่นหิวแดดร้อนฝนตกเป็นโรคป่วยแก่เจ็บอ๋อนี่ทุกข์เกิดขึ้นกับขันทั้งห้าหรือว่าหลงลืมน่ะนึกอะไรไม่ออกนึกชื่อคนไม่ออกนะ สมองเริ่มเสื่อมหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวตอนที่มองเห็นว่าทุกเกิดกับขันธ์ทั้งห้านี่มันยังเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งเป็นคราวหิวปวดหัวไม่สบายแต่พอเห็นไปถึงขั้นว่าขันธ์ทั้ง้าเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยหรือเป็นทุกข์ล้นล้วนนี่ตรงนี้แหละนะก็คือการ เห็นความจริงในขั้นใจรักแล้วนะเห็นว่าขันทั้งห้านี้ทั้งขันทั้งห้าหรือขันหรือสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะให้ความสุขกับเราได้เลยไม่มีอะไรที่จะยึดมั่นถือมั่นได้เลยพอเห็นตรงนี้มันก็วางเนี่ยไม่มีความอยากไม่มีความยึดติดต่อไปไอ้ที่อยากเนี่ยก็เพราะคิดว่ามันจะให้ความสุขกับเราได้แต่พอรู้ว่า หรือเห็นว่ามันทุกข์ทั้งนั้นเหมือนกับกองไฟเหมือนกับกองเหมือนกับก้อนถ่านก็ไม่เอาแล้วนะพอไม่รู้จะเอาไปทาไมนะจับก้อนถ่านมันก็เผานะมันก็ลวกนะมันก็ทำให้กลายเป็นทุกข์แต่ว่าที่จับนี่เราไม่จับด้วยกายล้วจับด้วยใจก็คือความยึดถือนั่นเอง นี่ถ้าเห็นแบบนี้เนี่ยมันวางเลยนะวางเพราะว่าไม่รู้ว่าไม่เห็นว่ามันมีดีที่ตรงไหนพอวางได้ก็เกิดความเบาความสบายเป็นความสบายความเบาที่เกิดจากการที่เห็นว่าสิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์นั่นพอเห็นทุกข์นี่ก็ทำให้มีความสุขได้นะ เห็นทุกข์ก็ทำยมีความสุขได้ถ้าเห็นอย่างที่ว่ามาการเห็นที่ว่าต้องอาศัยปัญญาซึ่งต้องอาศัยสติเนี่ยเป็นตัวเป็นตัวบุกเบิกเพราะงการจระสติปฐานสําคัญมากนะในการที่จะทําให้พ้นทุกข์ได้ที่แรกสติมันช่วยทําให้เห็นว่าอ้อไอ้ทุกข์นี่มันเกิดขึ้นกับกายกับใจไม่ใช่เกิดขึ้นกับเรา แต่ตอนหลังสติเมื่อนำมาใช้ดูกายดูใจอย่างต่อเนื่องมันก็จะเห็นว่ากายและใจนี้มันเป็นทุกข์เกิดปัญญาขึ้นมาว่าโอกขันทั้งหานี่เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยตรงนี้มันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากวิปัสสนาแล้ว เ, เพราะฉะนั้นว่ารู้ทุกข์เนี่ยมันเป็นคำสำคัญทีเดียวนะซึ่ง เราต้องเข้าใจความหมายของมันทุกระดับแล้วก็สามารถจะปฏิบัติให้ได้ลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆเพียงแค่รู้ทุกว่าทุกคืออะไรนะเหมือนกับที่เราท่องมาเนี่ยมันเป็นแค่เบื้องต้นเท่านั้นเองแต่ต้องเจริญส ต, ตจิจนกระทั้งเห็นทุกเมื่อมันเกิดขึ้นรู้ตัวเมื่อทุกเกิดขึ้น แล้วก็รู้ว่า อ, อ๋อทุกข์มันเกิดขึ้นกับการกระจายไม่ใช่เราทุกข์เนี่ยแล้วมันจะค่อยเห็นลึกลงไปเรื่อยๆลึกลงไปเรื่อยๆและการรู้ทุกข์อย่างถึงที่สุดเนี่ยจนรู้ว่าขันทัง้งคเป็นตัวทุกข์อย่างที่เราสวดกันทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็ทำให้การหลุดพ้นจากความทุกข์เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกข์มันมีประโยชน์นะถ้าเราใช้มันให้เป็นหรือเกี่ยวข้องกับมันให้ถูก ก็คือใคร่ครวนพิจารณาแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับมันไม่เป็นนะเช่นไปเป็นทุกข์นะแทนที่จะเห็นทุกขก์เป็นทุกข์นี่ก็เรียกว่าขาดทุนเลยแล้วคนส่วนใหญ่ก็คลั่งครวนกับทุกข์ไม่ได้อามาพิจารณาไม่ใช่ไม่ได้อามาใคร่ครวนเท่าไหร่พอใคร่ครวญหรือพิจารณา มันก็จะรู้จักทุกดีขึ้นและใช้ถ้าใช้ทั้งสติ ท, ทั้งปัญญานะเข้ามาในการที่จะรู้ทุกจนกระทั่งเข้าใจทุกอย่างแจ่มแจ้งในการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นไปได้หลุดพ้นในที่นี้คือหลุดพ้นความทุกข์ในที่นี้คือว่าใจไม่ทุกนะแก่ก็ยังแก่อยู่หรือว่ายังหนีความเจ็บความป่วยไม่พ้นแต่นั่นเป็นเรื่องของกาย ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมันก็ยังเป็นทุกอยู่นะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่เราเกี่ยวข้องคนที่เป็นพ่อแม่ลูกหลานก็ยังเป็นทุกอยู่ทั้งทุกขเวทนาทั้งที่เป็นสภาวะทุกข์แต่เนื่องจากเราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันพอรู้แล้วว่ามันเป็นทุกทั้งนั้นใจก็ไม่เป็นทุกต่อไป ให้คาว่าพ้นทุกเนี่ยนะก็คือว่าใจไม่ทุกข์เพราะไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งหลายแล้วพอรู้อย่างจำแจ้งนะจนกระทั่งไม่มีกิเลสที่จะเป็นปัจจัยให้ไปเกิดได้ก็คือว่า ไม่ม so ีการเกิดอีกพอไม่มีการเกิดก็ไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการป่วยไม่มีการตายอันนี้ก็เรียกเป็นชัยชนะต่อความเกิดแก่เจ็บตายชัยชนะต่อความเกิดแก่เจ็บตายนี่ไม่ได้หมายความว่าเกิดแล้วไม่ตายนะแต่หมายถึงว่ามันไม่มีเหตุปัจจัยให้ไปเกิดตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นก็ไม่มีความแก่ความเจ็บความตายว่าในเรื่องความทุกข์นี่เรา ให้เราพยายามเข้าใจนะให้ดีเดิมแต่ว่าทุกที่ท่านพูดเนี่ยท่านพูดในความหมายอะไรเป็นทุกในอริยสัจหรือทุกในไตรลักษณ์เป็นทุกที่หมายถึงทุกโกรธเวทนาหรือว่าทุกที่เป็นสภาวะทุกแล้วก็จะได้เข้าใจพอเข้าใจแล้วเนี่ยไม่สับสนแล้วก็จะทําให้การปฏิบัติของเราเนี่ยันเป็นไปได้ง่ายขึ้นอ้าชั้นนี้ก็พูดกันตอนนี้นะอ้าวกราบพระ